4.5 ยามขับขันธรรมะช่วยเราได้วงเล็บเปิด22ตุลาคม2549ในวงเล็บสองวงเล็บปิดหลายคนมหัดเจริญสติถึงคราวจำเป็นเนี่ยธรรมะช่วยเราได้มีจำนวนมากเลยมารายงานถึงเวลาขับขันจริงๆธรรมะช่วยได้ยังมีครอบครัวนหนึ่งลูกไม่สบายหนักเลยจะอยู่จะตายก็ไม่รู้นะพ่อแม่มายืนเกาะเตียงอยู่ที่โรงพยาบาล ลูกจะตายแล้วทีนี้คู่นี้เคยภาวนาเคยมาเรียนกําลังร้องไห้อยู่เนี่ยหันไปมองลูกอยู่บนเตียงสติมันทันขึ้นมาวับขึ้นมาเอ๊ะที่นอนอยู่บนเตียงนี่มันไม่ใช่คนหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งนะยังหายใจขแมวขมั่วอยู่ย้อนกลับมาดูตัวเองที่ยืนอยู่ขอบเตียงนี่ไอ้นี่ก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะความเศร้าโศกในใจดับลงตรงนั้นเลยนี่ในคราวคับขันนะธรรมะช่วยได้หลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่ง คราวนั้นหลวงพ่อหัดขับรถใหม่ๆขับไม่เป็นหรอกอยากไปดูนกปากห่า ง, างขับรถไปไปเจอสะพานสะพานต่างจังหวัดมันมีสะพานเล็กๆที่ข้างบนมันแบนๆเราไม่เคยเห็นสะพานชนิดนั้นในกรุงเทพเราก็ขับมาปกตินะร้อยหนึ่งอย่างนี้ชนขอบสะพานตึง้งลอยขึ้นกลางอากาศทั้งสี่ล้อเลยหัวเรากระแทกเพดานแม่ชีก็นั่งไปด้วยแม่ชีก็หัวโนมอนกันตอนหัวชนเพดานนะมองลงมาเห็นเชิงสะพานฝั่งตรงข้าม ออกไปนะสักสิบเมตรเป็นทางเลี้ยวหักศอกโอ้โหสติมันทำงานอัตโนมัติมันไม่ตกใจสักนิดหนึ่งนะไม่มีความตกใจเกิดขึ้นเลยหลวงพ่อเหยียบเบรกเต็มเหนียวอยู่กลางอากาศจนกระทั่งเครื่องมันเกือบจะดับล้อมันไม่หมุนแล้วไม่มีพลังงานพอตกถึงพื้นนะให้มันไหลแล้วคราวนี้มันไหลมันเลี้ยวไปได้นะเนี่ยพวกเราฝึกไปนะถึงคราวจาเป็นสติช่วยเราได้คนอื่นตกอ ก, อกตกใจแต่เรามีสติมีปัญญาช่วยตัวเองได้ นี่แค่อย่างโลกโลกนะสติปัญญาที่ช่วยเราในทางธรรมยิ่งอัศจรรย์ใหญ่เลยมันช่วยคนที่ทุกข์ให้พ้นทุกข์ได้เด็ดขาดไม่ใช่พ้นทุกข์ด้วยการต้องคอยระวังรักษานะไม่มีการระวังรักษาจิตใจอีกต่อไปแล้วไม่มีงานต้องระวังรักษานะมันพ้นทุกข์จริงๆตราบใดที่มีงานต้องระวังรักษาก็ยังไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะยังมีภาระไม่เลิกแต่ว่าตอนนี้เราต้องทํางานก่อนอย่าอยู่ๆก็ทิ้งงานไปนะ